ครันี้มาดูเรื่องการส่งวิญญาณนะก่อจะตอบคำถามส่วนกาส่งวิญญาณหลายคนก็เอออาจจะได้จะได้หลายคนก็รอฟังรอฟังกระส่งวิญญาณอยู่จานละจากเมื่อไหร่ส่งวิญญาณทีไอเราก็อยากมาส่งวันไทยเราไปส่งวันแรกแหมจะมาแข็งแรงมาส่งวิญญาณมันก็ไม่ไหวเราไปจะพาแข็งแรงไปยืนก่อนนะเสร็จแล้วแม้เื่อยยืเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตามธรรมชาติของร่างกายมันก็ต้องเสีย ก ah ็ม hmm. ันเสื่อมไปแล้วมันก็ต้องส่งวิญญาณหรือแม้คนที่บางคนอาการหนักมากๆเกินไปมันกู้ไม่ได้หนักมากมาช้าเกินไปมันกู้ไม่ได้ก็ต้องส่งวิญญาณก็เป็นธรรมดานเอ๊จะส่งวิญญาณกันอย่างไรทีนี่เรนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญส่งวิญญาณนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นถ้าเราจะส่งวิญญาณตัวเองก็ได้ส่งวิญญาณคนอื่นก็ได้เวลาจะต้องวางขันเนี่ยจะทําใจอย่างไรนึงจะวางขันได้ผาสุขที่สุดสงบที่สุด สงบสบายฐานสุดที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญพระพ จ, จ้าทตรัดไวยว่าถ้ท่านท่านท่านเรียนรู้เรื่องนี้นะครับคุบาอาจารย์แล้วพรทธา่านก็บอกเอาไว้นะว่าท่านจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยถ้าเราตายด้วยความสงบเนี่ยมันก็จะไปสู่สุขติแต่ถ้าตายด้วยความไม่สงบเนี่ยมันก็จะไปสู่ทุกขติอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสกนัดพุทจึงเน้นเหมือนกันนะท่านจะต้องทิ้งร่รางจริงก็ทิ้งร่างมันเป็นวางขันให้มันเป็น ให้มันให้มันผาสุกให้ไปสู่สุตติให้ได้พระรู้จารยนรู้นะครับครูบาอาจารย์ก็รู้นะครับแล้วใครนั้ปฏิบัติทําไปถึงที่สุดมันจะรู้เลยว่าจิตก่อนตายน่ะเป็นอย่างไรหลังตายเป็นเช่นนั้นจิตก่อนตายเป็นเช่นไรหลังตายเป็นเช่นนั้นจิตก่อนตายทุรนทุรายเจ็บปวดทุกทรมานวิตกกังวลห่วงนั่นห่วงนี่วุ่นวายไปหมดเลยหลังตายก็อันเดียวกันเลยถ้ายังไม่ได้ร่างยิ่งซวยสุดๆวยเลยนะ อันนี้จะซวยสุดซวยแล้วก็คือจะค้างนรกแบบนั้นแหละไว้เรื่อยๆชั่วกับชั่วกับจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมหรือวันอจะ ไ, ได้ร่างที่จะออกมาได้นะครับเหมือนฝันครูบาอาจารย์บอกว่าเหมือนฝันถ้าฝันเนี่ยเราฝันร้ายเราก็ทุกข์ทรมานแล้วราแต่เรถ้าเราตื่นขึ้นมาเรามีร่างเราออกจากฝันได้แต่ถ้าเราตายนี่มันไม่มีร่างถ้ามันยังไม่ได้ร่างนะแล้วเราฝันรา้ายก็คือเราเนี่ยจิตทําจิตไม่ดีก่อนตาย มันจะค้างอยู่ในฝันร้าย น, นั้นแหละไปตลอดมันไม่มีร่างจะออกอันนี้สวยแต่ถ้าเราก่อนตายในจิตเราสงบสบายเบิกบานแจ่มใสไม่วิตกไม่กังวลอะไรไม่ทุกข์ร้อนอะไรแมีความผาสุขมีความมั่นใจในกุศลของเรามั่นใจในในสิ่งที่เราทํามามันไม่คือวิตกกัวงวลอะไรนะจิตที่สงบสบายนั้นจะไปด้วยทันทีเลยแม้เรายังไม่ได้ร่างแม้เรายังไม่ได้ร่างใหม่ นะครับมันก็จะอยู่ในความสงบความผาสุขอย่างนั้นแหละนะก็อยู่สุขสบายยิงเต็มพอเนี่เบิกบ้านจําใสสงบสบายอย่างนั้ น, นก็ไมไ่เป็นไรเลยถ้าอยู่ในความสงบสบายนะถ้าอยู่ในความผาสุขอยู่ในสุขติจนกว่าเมือ่อสมควรจะเกิดก็ไปเกิดแล้วเวลาไปเกิดจ ะ, จะกาะจะก่อกาะร่างที่ดีด้วยเพราะว่าจิตสงบสบายจะเอาร่างมาตอ่อเนี่ยเอาตาเอาหูจมูกกับปากมาต่อได้ดีนะมาเกอ่อก่อร่างดินน้ำลงไฟก็จะกาะก่อได้ดีนะครับ ส่วนร่างจิตใจที่รุ่มรอ้อนทุรนทุลายทุกทรมานที่ต้องกังวลนี่นะโอ้ยซัดตายนะอ่านะ <c oughs> เวลาก่อบก่อได้ดินน้ำลมไฟกรอก่อไม่ดีหรอกนะคุณลองสิคุณทุรนทุลายแล้วก็ให้คุณไปปั้นอะไรทุกอย่างเนี่ยปั้นมีเยลวหมดแหละนะไม่ขอทาอนะไรเนี่ยอันนี้ก็สําคัญนี่ยเพราะฉะนั้นะจิตที่สงบนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากโดชเฉพาะยิ่งก่อนตาย ตอนหน้านั้นเราทุกคนจะฝึกไปเรื่อยๆแหละนะฝึกทอนคิดฝึกอะไรต่างๆไปฝึกทำความหาสุกไปแต่เมื่อถึงใกล้ตายเนี่ยเวลาจะส่งจิตวิญญาณคือมีใกล้ตายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยบางคนที่เขาไม่ได้ฝึกอะไรมาเลยควรจะประคองประคองจิตวิญญาณเขาหนั้นเราจะเริ่มส่งวิญญาณจะเริ่มบอกเขาให้ทํำใจให้ถูกเนี่ยอย่างน้อยคนจะห้านาทีก่อนใจขาดก่อนที่ใจจะขาดตายเนี่ยอย่างน้อยห้านาทีมีคนต้องรีบนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องประเมินเป็นด้วยว่าเป็นคนไข้ใกล้ตายอ่ะใกลตายเรื่องดูอะไรเร่อง ถ้าดูคนใกล้ใก้ตายดูมัยากหรอกมันจะดิ้นดิ้นซัดสายทุลทุลายนะหาใจจะเร็วขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นหายใจตาดือดหาใจเร็วหาใจแรงหรือว่าชีพจรจะต้ต้มตุตมตุ้ะแรงแรมันจะยางก่อนนะยางเสร็จร้อนที่สุดจะตีกลับเป็นเย็นเยนี่จะค่อยๆหินแล้วจะมีแต่ช้าลงนะพอทุวนทุลายตาเลือดนะชีพจรเร็วนะครับอีกสักพักหนึ่งนะมือจะเริ่มเขียวขมแล้ว มือท้าก็จะเริ่มเขียวคำนะครับหรือว่าหายใจก็เริ่มช้าลงช้าลงจีตวรญญาก็เริ่มช้าลงช้าลงแล้วนะถ้าเริ่มช้าลงแผ่วแผวแผ่วแผวไปแล้วอ่อนกายละกายล้วอะไรเงี้ยนะมันจะมันจะแย่แล้วนะถ้าเป็นลักษณะงั้นเนี่ยคนไข้จะแย่แล้วจริงๆถ้าเริ่มทุรนทุลายอะไรมากๆเนี่ยเราก็เริ่มที่จะประคองจิตวิญญาณได้แล้วเพราะถ้าไม่ประคองจิตวิญญาณบางทีประคองตัวเองไม่ได้นะในคนที่ยังไม่ได้ฝึกมาแต่คนฝึกมาเนี่ยเขาจะประคองตัวเองได้แต่คนยังไม่ฝึกจะประคองตัวเองไม่ได้ เราเริ่มเราเริ่มที่จะบอกสัจจะในการประครองจิต so ว so, to ิญญาณในการที่จะทำให้จิตสงบเราจะเริ่มบอกเลยนะห้านาทีสิบนาทีเนี่ยอย่าช้าถ้าช้าเราจะลําบากแต่ถ้าเป็นไปได้คนที่ประคองจิตวิญญาณก็ควรจะเป็นคนที่คนที่เข้าศรัทธาหรือคนที่เข้าไว้ใจนะไอ้คนที่เข้ารังเกียจนี่ยอย่าไปพูดนะอย่ไปประคองปะคองวิญญาณมันจะเกลียดกันไปใหญ่เลยนะอาจจะอยู่ห่างๆนะจนคนที่เข้าไว้ใจเราก็ให้ให้ให้เป็นคน ให้เป็นเป็นคนประคองจิตยาเขาเรียกว่าส่งวิญญาณนะแล้วคนเรียนภาษะพอจะส่งวิญญาณยังไงจะบอกยังไงนะอันดับแรกสุดในนั้นะในคนที่ทั่วๆไปเนี่ยครัจะพยายามพูดเรื่องของกุศล น, นะในข้อแรกสุดเนี่ยพยายามส่งวิญญาณด้วยกุศลให้ให้คนไข้เนี่ยพยายามระลึกถึงกุศลที่ทํามาใ น, ในประเด็นแรกเนี่ยพยายามให้เขาระลึกถึงกุศลที่ทํามาใครที่อาการาจะไม่มีมากๆนะครับ เราดูแล้วโอ้อาจจะอาจจะนั้นลักษณะนี้เราประมาณน้นอาจจะไม่นานก็คงจะวางขันอย่างี้นะอาจจะเป็น30สิบนาทีหึงชั่วโมงก็ได้นะนทีเราเห็นอย่างเง้นะีเขาไม่ตายไปใน5้านาทีก็ได้นะแต่ก็เช่นพูดไปแ ล, ล้วเพื่ออะไรเขาได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อ ม, มนในจอตอนแรกส่วนแรกเขารู้สึกกุศลที่ทามาอา่เาเออแล้วรู้สึกกุศที่ทามานะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต่อให้เขาถ้าเขาล้วรู้สึกกุศที่ทามาเนี่ย อย่น้อยที่สุดเนี่ยถ้าเขาไม่ไม่ตายนะมันจะทําให้ฟื้นเร็วแต่ว่าเขาจะตายจะตายด้วยความสงบนะเพราะนั้นเราก็อ่าให้ ร, ร, นะรู้ถึงกุศลที่ทามานะอะไรเงี้ยถ้าฟวยนมันจะฟื้นอย่างดีบอกเขานะถ้าสมมติว่ามันจะต้องเสี่ยมมันก็จะเสี่ยมอย่างดีอะไรเงี้ยนะครับเราก็บอกเขาเพราะว่าการรู้ลืกถึงกุศลสิ่งดนะีงามมันจะทําให้เขามีความมั่นใจว่าเออถ้ามันเป็นอะไรขึ้นในกุศลมันยังคุ้มครองเราอยู่อบนกุศลนั้นจะยังคุ้มครองเราอยู่ให้รู้ถึงกุศลที่เคยทามานะหรือเลือกถึง คนที่เขาศรัทธานะแล้วรู้ถึงบุญศน์แล้วรู้ <c oughs> ถึงคนที่เขาศรัทธาว่าคนที่เขาศรัทธามีคุณงามความดีแบบนั้นแบบนี้เแล้วถึงความดีของตัวเอง <c oughs> แล้วลถึงคุณความดีของคนที่เขาศรัทธานะเขาจะได้บ อ, อกนะครับอันนี้อ่าละเมื่อถ้งงารู้ถึงนี้ไปเราก็บอกเขาว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรนะแล้วรู้ถึงบุญศน์ดีนะถ้าฟื e ้นมันจะฟื้นอย่างดีเลยนะอ่าจิตใจเราจะรู้สึกสบายรู้สึกมั่นใจเขาถ้ามันเสื่อมดับไปมันก็จะเสื่อมดับไป ถ้ามันจะเสื่อมไปมันก็จะเสื่อมอย่างดีอะไรเงี้ยนะเราก็บอกเขาถ้าเสื่อมมันก็จะเสื่อมอย่างดีแล้วฟื้นมันก็จะฟื้นอย่างดีอย่างนี้นะเราเอาบต่ไปเราก็บอกว่านอถ้าถ้าคนที่ทํากุศลมามากๆนะถ้าคนที่ทํากุศมามากๆเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่าเออนะเนี่ยุศลก็ได้ทํามามากแล้วกุศก็ได้ทามามากแล้วไม่ต้องมิตกกังวลอะไรนะอะไรเงี้ยนะแม้มันจะต้องเสื่อมดับไปเนี่ยนะเพจะได้ร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมะ เงี้ยนะครับแต่ถ้าคนที่คนที่ไม่ได้ทำกุศลมานะเราดูล้วอย่าไปพูดคำนี้นะโอ้กุศลก็ได้ทำมามากแล้วอะไรก็เราไม่ไดทำอะไรเลยคนะิ่คนนึงยัเลือกไม่ออกก็ต้องแยกนะดูหน่อยนะคนที่เราสมเด ญ, ญาณนะโอ้ยแต่ผีดักฉาิไปทรอบดีเขาเลยนะคนที่เขจะไปบอกว่านะเออกุศลก็ได้ทำมามากแล้วตานะเป็งไงกไ ไล่ใหม่ได้ห per oh. <that> really no. ้ใหม่ที่ดีกว่าเก่าไม่อยากไปพวดนะพวดริงช้ำใช้ใหญ่เลยนะไอยาขำไปทําอะไรมาเลยเพรู้จะได้เราะต้องดูตามมาตามเรือนนะคนที่เขาทำกุศมาคุก็พูดหน่อยเพราะเขาทากุศมาเนี่ยมั่นใจได้ว่าข้างหน้าดีอะไรเงี้ยนะข้างหน้าเนี่ยก็ได้สิ่งที่ดีแน่ไม่ต้องกังวลอะไรนะแต่ถ้าคนที่ไม่คเคยทำกุศลมาคุก็ละละมีไปซะมาต้องพูดคานี้นะอย่างเง้ยเราเออเราไม่ทำอะไรมาเลยจะไม่ไม่ไหวเอานะ แล้วก็เพื่ปล่วางนะเนี่ยเมื่อเราได้พยายามดูแลอย่างดีที่สุดแล้วเมื่อเราหมอก็พยายามดูแลเราอย่างดีที่สุดแล้วตัวเราก็ได้พยายามดูแลเราอย่างดีที่สุดแล้วญาติก็ได้พยายามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วทุกคนได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วดีนะให้ปล่อยวางบอกเําปล่อยวางคืออะไรนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นถ้ามันจะฟื้นหมอกเขาอย่างนี้นะให้วางเลยนะให้ปล่อยเลยถ้ามันจะฟื้นก็ให้มันฟื้นให้เขาตั้งจิตอย่างนี้นะ ถ้าถ้ามันจะฟื้นมันจะตั้งอยู่ก็ให้มันฟื้นมันตั้งอยู่ถ้ามันจะเสื่อมดับไปก mmm ็ให kind of ้มันเสื่อมดับไปบอกครัเงี uh ้ถ้ามันจะฟื้นตั้งอยู่ก็ให้มันตั้งอยู่ถ้ามันจะเสื่อมดับไปก็ให้มันดับไปเพราะถ้าผู้ป่วยทําใจอย่างนี้ได้นะครับถ้ามันฟื้นมันจะฟื้นแย่งดีเลยการปล่อยวางเนี่ยถ้าเขาจะฟื้นมันจะฟื้นอย่งดีเลยนะเพราะมันไม่มีมันไม่มีความเครียดมาทํำลายเซลล์ การวางนี่แหละมันจะทําให้เขาสบายใจที่สุดการสบายใจที่สุดเอ็นโดพินจะหลั่งมาถ้าเซลล์มันจะฟื้นมันจะฟื้นอย่างดีที่สุดเลยนะครับแล้วถ้ามันจะเสื่อมดับไปมันจะเสื่มดับไปอย่างดีที่สุดเพราะเอ็นโดพินระงับความปวดระงับความที่ตกกังวลต่างๆไปนะเนื้อตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็บอกเขาว่าถ้ามันจะฟื้นมันก็จะฟื้นอย่างดีที่สุดถ้ามันจะเสื่อมมันจะเสื่อมอย่างดีที่สุดให้เราปล่อยวางเลยให้วางเลยเมื่อใดพยายามดูแลเป็นที่ที่สุดแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นอย่างไรปล่อยมันเลย ปล่มันเลยถ้ามันจะตั้งอยู่ก็ให้มันตั้งอยู่ถ้ามันจะเสื่อมไปก็ให้มันเสื่อมไปบอกเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปที่เราจะต้องพูดก็คือว่าเอานะการตั้งอยู่กับการเสื่อมไป Perfect? เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่ชีวิตต้องเผชิญชีวิตต้องเผชิญการตั้งอยู่ชีวิตต้องเผชิญการดับไปการเสื่อมไปนะไม่ใช่เรื่องแปลกในชีวิตนะอันนี้คือการพูดกับคนทั่วไปนะแต่ถ้าพูดกับคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้อง อ, งองง้อมคองมะตรพวนี้มากหรอกนะ ก า, ารเกิดการตายไี่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกบอกก็เลยการเกิดการตายไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดาเกิดก็เป็นเรื่องธรรมดานะตายก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกชีวิตทุกชีวิตต้องเผชิญอยูมม mark, นนอ่แล้วการเกิดการตายไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเป็นหน้าที่ที่ต้องทําและเป็นเะป็นหน้าที่ที่ต้องทําน่ะการตายก็แค่การเปลี่ยนร่างเท่านั้นเอง การตายก็แค่การเปลี่ยนร่างใหม่เป็นเป็นร่างนี้ร่างที่เสื่อมนี่ไปเอาร่างใหม่เท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องแปการตายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นแค่การเปลี่ยนร่างบอกเขาเปลี่ยนแค่ร่างหนึ่งไปเอาร่างนึ่งซึ่งมันก็เสื่อมแย่แล้วก็เปลี่ยนไปอีกร่างนึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเป็นสิ่งธรรมดาที่ชีวิตต้องเผชิญอย่างเงี้ยนะเราก็เล่าเล่าให้เขาฟังคนจะเริ่มเข้าใจเออใช่นะการเกิดการตั้งอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เป็นเรื่องธรรมดาการเสื่อมดับไปการตายก็เป็นเรื่องธรรมดา พอเขารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมาจิตเขาจะนนะครับยิ่าเราใชว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้ว เ, เรื่องธรรมดาที่ทุกชีวิตต้องเผชิญแล้วเราก็เผชิญมามากหลายภาพหลายชาติแล้วความจริงนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครแล้วครนนี้เนี่ยนะครับในคนที่อในคนที่ออคนทั่วทั่วไปเนี่ยหรือถ้าทุกคนเลยนะบางทีเนี่ยและหลายคนเนี่ยเขาจะห่วงวิตกกังวลนะครับเรื่องนั้นเรื่อนี้ เขาจะห่วงวิตกังวลเรื the ่องนั the ้นเรื่องนี the ้ห่วงร่างบ้างนะห่วงห่วงนั่นห่วงนี่บ้างนะมันจะห่วงอยู่สองเรื่องเลยหนึ่งห่วงร่างตัวเองไม่อยากทิ้งร่างนะครับถ้าในกรณีเขาเราเห็นคนก็ไม่อยากทิ้งร่างนะห่วงร่างเลยเราก็บอกเออนะถ้าถ้าเห็นเขาทุกข์ทรมานมากแล้วลาบากมากแล้วเราก็บอกไปว่าถ้าร่างนี้เนี่ยมันมันเสื่อมมากแล้วมันทุกข์มันทรมานมากแล้วเราก็บอกกันนะขันนี้นะถ้ามันเสื่อมมากแล้วมันทุกข์ทรมานมากแล้วก็ วางซะเราก็บอกเขาก็วางขันนี่ซะไปเอาขันใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะไปเอาร่างใหม่ที่มันดีกว่าเดิมจะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรามานเขาบอกเขาเงี้ยนะเขาจะเริ่มวางร่างได้นกคนเลยหรือข้าร่คนจะหวงร่างนะจะหวงร่างตัวเองไม่อยากจะทิ้งร่างโอ้คนไม่อยากทิ้งร่างดีที่สุดสายทุนทุนไลน์แล้วพยายามพึ่งจะอยู่ พอคนนี้เวลาใกล้ตายนะดูว่าตัวเองอย่างนี้ไม่กล้านอนหลับไปนะกลัวมันจะหลับไปเลยนะเพื่อยิ่งตื่นเพอาะตื่นยิ่งเคลียยิ่งร้ายยิ่งไม่มีแรงใหญ่เลยนยิ่งดิ้นดิ้นสายเอาจังร่างกายมันจะหลับแค่ไม่หลับแค่ตื่นแค่มันตื่นเพราะการตื่นของเราเนี่ยมันไม่สามารถยัดย้ำการการการตายได้แล้วมันไม่ใช่นะแต้วคนนี้ต้องพักเพียงพักพอดีนั่นแหละจะชะลอการตายได้ดีที่สุดนะครับในคนที่ร่างเขาเสื่อมคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม มากเท่าไหร่ลเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดเรื่องกุศลอย่างที่ว่านั่นแหละนะว่าเออคุณก็ทํากุศลมามากแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องพูดคานี้นะเราก็พูดลักไปเลยนะลักไปทางที่ว่าเอ อ, เ อ, อเอาะละถ้ร่างนี้มันเสื่อมมากแล้วนะขันเนี้ยกายขันนี่มันเสื่อมมากแล้วมันทุกข์ทรมานมากแล้วนะ<ช>ก็วางขันนี้ซะเธอวางซ้านะวางขันนี้ซะวางความเสื่อมความทุกข์รมานนี้ซะแล้วไปเอาขันใหม่ไปเอาร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่เงี้ยเราก็บอกเขา คนจะเริ่มตั้นสติได้แล้วเขาจะเริ่มไม่ห่วงร่างเขาจะเริ่มปล่อยวางหรือถ้าเ้าห่วงแล้วก็บอกเขานะว่าไม่ต้องห่วงญาติพี่น้องนะไม่ต้องห่วงลูกห่วงเต้าไม่ต้องห่วงครอบครัวไม่ต้องห่วงญาติพี่น้องไม่ต้องห่วงกิจการไม่ต้องห่วงการงานไม่ต้องห่วงทัพสมบัตินะนะจะมีคนดูแลให้แล้วเดี๋ยวก็มีคนดูแลเองนะไม่ต้องห่วงนะจะมีคนดูแลให้เองอย่างเงี้ยเขาจะได้สบายใจถ้าเราระบุคนได้ก็ระบุนะว่าคนนั้นคนนี้จะช่วยดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าสมมติว่ามีคนอาสานะดูแลด้านนั้นด้านนี้แล้วบุกคนได้ก็ราบุกนะจะมีคนนั้นคนนี้ช่วยดูแลลูกนะไม่ต้องห่วงนะอะไรเงี God ้ยนะจะมีคนนั้นคนนี้ช่วยดูแลกิจการนะแต่ถ้ามันไม่มีคนที Benjamin ่จะช่ดูแลก็อย่าไปพูดตัวโดนบุกคนนะอย่าไปพูดแล้วทุกเอานะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนดูแลเองนี่นะไม่ต้องห่วงเหล่านะไม่ต้องห่วงด้างนี้จะมีคนดูแลเองเพราะคนยังจะห่วงนะห่วงทรัพย์สมบัติห่วงกิจกรรมการงานห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงญาติพ <laughs> ี่น้องห่วงลูกห่วง ท้องหวงปุ๊บใจจะไปไม่สงบแต่เขาตัดท้องหวมได้เนี่ยเขาจะสงบทันทีเลยเขาจะสงบทันทีเลยนะครับเขาจะไปอย่างดีนะครับันนี้เขาจะสงบสบายทันทีเลยเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องไม่เราไม่ได้โกหกล้วจะมีคนดูแลจริงๆนะ มีคนดูแลเองจริงนะกิจการของคุณเนดะี๋น้นก็ตายไปเดียวเลนะเขาจะไ ม, มองไม่ใครก็ด้อเ็นคนดูแลนะแต่เขาจะดูแลแบบไหนเรื่องของเขากนะ็จะไปขายเาจะไปอะไรก็แยิ่จงจะมปนคนมาจัดการจริงๆนะคนจะเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะเดี๋ยวเข้ามาจัดการตัเขาต้องมาเย่นกันเอานะแต่เขาจัดการจริงเขาจะมาแย่งหรือไม่แย่งเรื่องของเขานะานะั่นแต่เร า, าจะไม่จะไปพูดนะใครจะมาแย่งามาแย่งจะมันอะไรเงีเย้ยเราก็ไม่ทำพูดนะเราก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเป็นคนดูแลเองนะ อาจะมีคนดูแลเองนะจะมีคนจัดการเองไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยนะทุกคนก็มีกุศลของตัวเองคุ้มครองตัวเองทุกคนก็มีคุณงามความดีของตัวเองคุ้มครองตัวเองนะทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะสุดฝนในการดูแลคุ้มครองตัวเองมีกรรมตัวเองที่จะให้ผลกับตัวเองอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาไม่ต้องห่วงอะไรนะอยาเง้ยบอกงนี้บางคนค่าจะเริ่มคลายนะหรือคนที่จะวังแันจะเริ่มคลายไปเรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยพูดวนไปวนมาเรื่อยๆนะครับเราก็บอกแนี่ยทอม ตั้งอยู่มันก็ไม่เที่ยงความเสื่อมไปมันก็ไม่เที่ยงชีวิตนี้นก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละนะตีตั้งตั้งอยู่ถ้ามันจะตั้งอยู่ก็ให้มันตั้งอยู่เราก็บอกนี่นะว่าเราได้ภาพเรียนดูแลเต็มที่แล้วเนี่ยให้วางใจว่าถ้ามันจะตั้งอยู่ก็ให้มันตั้งอยู่ถ้ามันจะเสื่อมไปก็ให้มันเสื่อมไปให้เขาหวางเงี้ยแล้วเราก็พูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าตั้งอยู่ให้มันตั้งอยู่จะเสื่อมไปก็เสื่อมไปถ้าทำอย่างนี้ใจเราจะสงบที่สุดแล้วก็บอกเขาแล้วมันก็จะไป ถ้าถ้าวางร่างถ้าจะฟื้นมันจะฟื้นอย่างดีที่สุดบอกเขาถ้ามันจะเสื่อมมันจะเสื่อมอย่ดีที่สุดนะครับเขาก็บอกคำเนี้ยพราะเขาวางใจอย่างนี้ได้นะจริงๆถ้าฟื้นก็ฟื้นอย่างดีจริงนะถ้าเสื่อมก็เสื่อมอย่างดีเลยนะครับเสื่อมอยดีที่สุดแล้วก็จิตใจก็จะสงบสบายจิตใจมันจะเป็นสุขนะแม้จะต้องวางร่างวางขันเราบอกเขามันจะมันจะไปสู่สุตติมันจะทําให้เป็นสุขที่สุดนะแม้ไปได้ร่างใหม่ก็จะได้ร่างใหม่ที่ดีก็บอกเขา แต่ถ้าร่างกายดีิ้นสั่สายทุรนทุลายไม่นิ่งไม่สงบเนี่ยใจก็จะเป็นทุกข์แม้ได้ร่างใหม่ก็ได้ร่างที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาบอกเขาพอเราบอกก็อย่างนี้ก็าพูดวนไปวนมาเรื่อยๆวนไปวนมาวนไปวนมานะคนจะเริ่มตั้งสติได้คนที่จะวางขันเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งสติได้ถ้าเราสงวิญญาณดีๆ้ะเขาจะค่อยๆสงบค่อยๆสงบค่อยๆสงบจต่ใจที่ด้นสั่นสายนี่แหละก็ค่อยสงบลงสงบลงสงบลงสงบลงสงบลงสงบลงแล้วก็นิ่งเลยนะ่ นังนิ่งเลยนีคือสุดยอดเลยบางทีเขาจะหายใจเงียสุดท้ายพึ่บพึบแล้วก็นิ่งไปนะจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่บางนเป็นแบบพึ่บพนะในขณะที่เราดูเขากำลังนิ่งมากๆแล้วเราก็เขาพึบพึ่บแล้วมันก็ยังแหวยังวางไม่ได้ยังไม่หลุดเราก็เชียร์เขาหน่อยนะเชียร์หน่อยนะเชียร์มันเชียร์คอไปแหละนะแต่ไม่ต้องไม่ต้องเชียร์อเชียร์หน่อยอีกิีเดียวอีกทีเดียวนะเอาพยายามหน่อยจะสาเร็จแล้วจะสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยนะเอา ชาดเปลี่นนิดนึงนะแตะสำเร็จแล้วนะเออเนี่ยเอาพยามหน่อยพยามหน่อยหมอข้ไหนาพยามหน่อยพยามหน่อยเขาะเขาจะรวบรมสติแล้วตั้งกำลังนะรวบรวมสติรวบรมกำลังแล้วก็าจะสลับพวกมันไม่ได้หลุดไปวางขันไม่ได้นิ่งได้สงบนะโอ้เราก็ถึงว่าสำเร็จแล้วนะถ้าวางขันได้สงบกุ้งเนี่ยโอ้โหในรณะที่ดีนิ่งนิ่งนิ่งผมได้ผ่านการส่งวิญญาณเ้มาเยอะตนที่หนักหนักอะไรมากๆเลยไม่รูเป็นรชอบให้ผมไปส่งวิญญาณ ผมได้หาการส่งวิญญาณมาเยอะแล้วก็ได้เห็นครูบาอาจารย์ส่งวิญญาคณครูบาอาจารย์เพราะท่านสาําราบฏิราชิ่ท่านส่งนะักบวชท่านส่งอะไรนะเพราะว่าผมเนี่ที่ดูแลความเจ็บความป่วยเนี่มันไก็ได้เห็นพอท่านเป็นตัวอย่างในการส่งวิญญาณเราก็เลยได้ตัวอย่างแล้วจะส่งวิญญาณมาเยอะนะครับ ให้สง่งวิญญาณคนมาเยอะกรู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะที่ได้ช่วยเขานะรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเขาให้ให้ไปสู่สุขกติได้แต่ถ้าไม่ส่งจิตวิ ญ, ญญาณนะโอ้โหคุณเอ้ยแล้วคนก่อ น, าอคนคออาตายมัดสายนทัองหลายโอ้โหแล้วตาึ้งไปเลยนะที่ดูซินจะเป็นยังไงโอ้ทุกทรมานทุกทรมา น, มานอย่างงี้ทุกทรมานมากเลยนะยิ่งถ้าเป็นพระอริยนี่นะท่านจะสั่งไว้เลยนะท่านรู้นะถ้าจะต้องตายอย่าเอาอะไรม า, เ, าเสียบปากเสียบคอ พ่อท่านจะกระสับกรเลยนะท่านมจะต้องตายนะอย่าเสียบจมูกเสียบปากเสียบคอนะให้ตายไปสงบสงบเพราะอะไรครับถ้าเอาอะไรมาเสียบปากเสียบคอมีสายห้อยลงเลยังนี่นะมันจะไม่สงบมันจะระคายคุณล่อขนไก่ขนอะไรเหยื่อจะโกคุณสินะหรือเอามือลงล้วงไปสิเอามือลงล้ไปที่คอนี่จะเป็นยังไงลงไปลึกๆอ่ะเป็นยังไงจะพวกออกใช่ไหมจะระคายมีอะไรไปแตะในร่างกายจะระคายครับมันจะระคายมัจ ะ, ะยมจะดันมันจะไม่นิ่งไม่สงบนะ จ่ทรมานนีคนทั่วไปก็ณีเขาไปตายที่โรงพยาบาลน่าสงสารน่าสงสารนะเขาไม่รู้นะบุงคนนี่โอ้ว่าแตมันจะตายจริงเนี่าไปทรมานอย่างนั้นเลยแต่มันแย่แล้วมัถอดออกเลยรีบกลับมาตายบ้านแล้วคนส่วนใหญ่อยากตายที่บ้านนะไม่อยากตายที่โรงพยาบาลหรอกแต่ญาติอยากให้ตายที่โรงพยาบาลหมอจะได้ดูแลถึงที่สุดญาติอยากให้ตายที่โรงพยาบาลแต่คนไข้เนี่ยเวลามันทรมานมากๆมันไม่อยากตายโรงพยาบาลหรอกอยากตายที่บ้าน ถามคนไข้หน่อยถามคนไข้หน่อยนะถ้ามันแย่มากๆแล้วกลับบ้านไหมถามหึงอย่างพ่อผมเองจนะเข้าไอซเข้าไอซียูเลยตอนนั้นเราไม่ได้เรียนแผนทางเลือดแบบนี้นะยังไม่พบที่ดีรักษาพ่อเป็นมะเร็งพ่อเป็นมะเร็งแล้วก็ตายพ่อเป็นมะเร็งอตับนะตอนนั้นเรายังไม่ได้เรียนวิชานี้แม่งถ้าเรียนวิชานี้พ่อไม่ตายมาั่นใจนะว่าพ่อไม่ตายนะแล้วพ่อชอบกินกับออชอบกินโอวอรตินชอบกินโอวอรตินกับอะไรอะไรโอไมโลโอเวอรตินนั่นแหละนะ คมจริงพวกไมโลวันจิน่ยมันน้องกาแฟนคนน้องกาแฟบางคนบอกฉันไม่กินกาแฟแต่ฉันกินเอวันตินมันก็พอๆกันนั่นแหละมันน้องกาแฟอ่าเดินตายก่อนช่วยพ่อไม่ทันเป็นความแม่ทันคว้าแม่ทั น, แ ม, ทนแม่เป็นมาเลงที่มดลูกคว้าแม่ทันเพราเรามาเรียนวิชานี้ทันแต่พ่อพ่อไม่ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะเราก็ถ้าเราก็ไม่ทุกข์ใจอะไรเราก็ไม่ทันก็เดี๋ยวคนมีบุญร่วกันแล้วก็แล้วก็มาเจอกันเองกแหละตายไปได้ก็เกิดใหม่เกิดมาได้กมาเจอกัน มเจอเคราวนี้เราก็สอนอีกนะ่จะกินกาแฟจะกินโอเติงรนสอนนครับนีแ่แหละสอนไปแล้ไป้ถูกพ่อเราไปด้ก็โดนเองกันแล้วมันกัววงวลอะไรช่วยชาตินี้ไปทเชวยชาติหนันแหลแช่วยไปเงี้ยไมุ่บกวลอะไรเลยนะพะเข้าสัจจมันไม่ทุบไงไม่กังวลถ่ายแล้วก็แล้วไปมันจะสอนไปสอนไปแล้วโดนพ่อเราบ้าง ม, มันจะโด น, นกับกับัมันโดนบ้าโดนก็ปลอดภัยใช่ไหมก็ปลอดภัย ตอนนี้พ่อก็ต้องเข้าไอซีนะเสียบปากเสียบคอทรมานโอ้เลือดกออกปากทรมานนะพ่อทั้งพูดไม่ได้นะผมต้เข้าไปที่ไอซีเห็นพ่อทรมานมากแล้ ว, ลว ม, าา ม, มันก็โทรมาถามแม่โทรมาถามแม่โทรมาถามทังบ้านว่าเอาไงาจะเอายังไงจะให้พ่อวางขันคือหมอเขาบอกหมดทางแล้วเขาต้องให้เลือกเอาระหว่างจะวางขันที่บ้านหรือว่าจะวางขันที่ที่ที่โรงพยาบาลนะผมก็โทรมาถามทังบ้านแต่ผมบอกผมก็คุยนะหลับพุทธศาสนานะครับวางขันที่บ้านได้ก็ดีนะ อ๋อผู้ป่วยจริงในส่วนอหญ่จะผูกพันุที่บ้านแล้วรู้สึกอบอุ่นอยู่ที่บ้านและรู้สึกอบอุ่นเรลาวางก็วางขันก็วางอบอนะุ่นอนุญาตปี๊ี่น้องมีอะไรต่างบอบอุ่นกว่าถ้าผู้ป่วยสำกัญอย่างนั้นเนี่ยก็แต่ท่านนี้ก็ได้แล้วนะผู้ป่วยนะบางคนอยากบางขันที่โรงพยาบาลก็วางบางคนอยากวางขันที่บ้านก็แล้วแต่ผู้ป่วยผมก็เลยก็ไปถามพ่อพ่อก็ไม่ได้หรอกนะลืมตา ก, ก็เบอร์อะไรไปหมดแล้วพ่อผมก็ถ้าพ่อจะกลับบ้านนะพ่ออยากกลับบ้านไหม ถ้าพ่ออยากกลับบ้านนะพ่อกับพิษตาสองครั้งถ้าพ่อไม่อยากกลับบ้านนะั่งอยูเฉยๆนิ่งๆ<ะ>แล้วพ่อทำไมล่ะไหมครับพ่อกับพิษตาสองครั้งแล้วก็ยิ้มแต่พ่อที่โดนทุรไลนะกับพิษตาสองครั้งแล้วก็ยิ้มแปลว่าอยากกลับบ้านมากแต่มันพูดไม่ได้ไม่รู้จะสื่อยังไงแล้วบอกพ่ออยากกลับบ้านมากแต่พูดไม่ได้พอเราพูดไปเท่า น, นี้แหละพ่อกับพิษตาสองครั้งปุ๊บปุ๊บเก็ยิ้มมีความสุขมากเลยแล้วก็รีบ ถ, ถอดชิ้วถอดอะไรอาเลยหมอก็ถอดออก หมอก็ให้เราถอนเองเราก็ถอนคิวออกแล้วพาพ่อกับบ้านผมไปยิ้มกลับบ้าแล้วผมก็ส่งวิญญาณพ่อข่าวไปเลยนะพ่อวามขันามเลยนะส่งวิญญาณพ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆพ่อค่อยๆสงบค่อยๆสงบค่อยๆสงบค่อยๆสงบค่อยๆสงบลงนะก็สงบไปเป็นยังไงส่งวิญญาณได้อย่างสงบจะดีนะดีกว่าทุรนทุรายนะดีกว่าเสียปากเสียคอโอ้ยเรามีเวลมีกรรมมากเนี่ยเสียปากเสียคอเจ็บปดท้องรำันไปจิตจะได้สงบ พยายามอย่าให้มีเครื่องอลังการอะไรอยากให้มีเรื่องอลังการไม่ครื่องทรมานมันระคายอยากให้มีเครื่องทรมาร์ดไปไะพยายามพอให้มากที่สุดมากที่สุดนะนี่ก็ดีใจที่ได้ส่งวิญญาณพ่อด้วยความสงบนะผมก็ดีใจนะดีใจที่ได้ส่งวิญญาณพ่อด้วยความสงบแต่พอไปสงบอย่านี้นะที่เราจะทุกข์นะอความ่เรา้นันแค่เราไะทัอีกนิดนึ่งพยายามหน่อยอีกนิดนึ่งพยายามหน่อยนะอีกนิดนึงพยายามหน่อยคนขยโลดลมสตีโลดลมกาลังแล้วก็วางขันปึ้งแล้วสงบไปนั่นแหละ เขาข่ายตอ่ยจะรงข่ยลีลงนี้ลงหีลงนะพอเขางเสียจปุ๊อ้าวทาได้ดีมากเลยทำไปเฉียดสำเร็จแล้วนะคนไข้ทาได้ดีมากความคันได้ดีมากเลยนะแทนที่จะเศร้าศเสใจแล้วแต่ละคนกายเป็นอนุโมทนานะครับเป็นยินดีกลายเป็นแทนที่จะทศราโศกเสียใจเวลาผมส่งวิญญาณญาติส่งวิญญาณคนไข้นะเวลาทาเสร็จญาติจะไม่ค่อยทุกข์หรอก ไม่คยทุกข์เพาะแทนที่จะมาทุกข์กับคนไข้าจากไปนะพราะเขาก็รุนอยู่ว่าทําไมเขาจะสงบไปรุนรุนรุนคนคนไข้สงบปุ๊บโอ้ยยอดเยี่ยมเลยอะไรเงี้ยแล้วกบเออดีนะคนไข้ทําได้ดีแล้วนะนี่เขาทําได้ดีมากเลยสง่งวิญญาณได้สงบแล้วนะอา่าเขาทำสำเร็จแล้วทําได้ดีมากอะไรเงี้ยนะญาติก็เลยคอยยินดีไปด้วยนะคอยมีใจไปด้วยที่ที่ญาติที่ทผู้ป่วยและ ว, วางขันด้วยความสงบอนะแทนที่จะเศ้าโศกเสียใจใกลายเป็นเออนะโล่งใจไปทีนะทําสำเร็จอะไรเงี้ยนะ เลยตอที่จะมาลองผมลองไข่กับดีใจดีใจที่วางขันด้วยความสงบงั่นแหละนครับก็จะวางขันด้วยความสงบเสร็จแล้วเราต้อมาสอนญาติอีกทีนึ่งนะถ้าอยากิําเศร้าโศกเสีใจอะไรเงี้ยเราก็สอนญาติอีกทีหนึ่งเวลาส่งวิญญาณเสร็จแล้วอย่าลืมนะประคองวิญญาณญาติด้วยประคองวิญญาณญาติด้วยก็พูดคุยกันว่าเออนะเขาอย่างน้อยที่สุดนะเขาวางขันด้วยความสงบแล้นะเขาไปดีแล้วเขาวางขันด้วยความสงบแล้วเขาทำดีมากเลยะ ทำภาคพยายามทําดีไปด้วยความสงบนี้พบหน้าจะเป็นพบที่ดี <c oughs> อ บ, บอกทอมบอกยากประทองกันยาติแล้วก็คุยกับญาติว่าความตายก็เป็นเรื่องธรรมด า, า ก, การทักทักจากกันเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะเล่าเรื่องเหมือนในสมัยพุทธกาลก็ได้นะครับสมพุทธกาลเนี่ยผมผมนิยมเล่าเล่าให้ฟังแนละ้วเล่าให้ญาติฟังเวลาในสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าเล่าอย่างเงี้ยญาติจะคลายญาได้เร็วจะเข้าใจสัจได้เร็ว ในสมัยพุธการลไม่มีหญิงคนนึงเนี่ยพ่อก็ตายแม่ก็ตายลูกก็ตายผัวก็ตายตายหมดเลยนะจะพยศตายตายตายตายกันไปนะตายไหมดเลยแทบจะเป็นบ้าเลยนะผัวเมียแต่ผัวตายพ่อแม่ตายตายในเวลาเล่เยี่ยงกันอ่ะลูกก็ตายในเวลาเล่เยี่ยงกันอ่ะเขาทุก็์เขาทรมานมากเลยจนเป็นบ้าเลยนะจิตวิปรารเลยนะเป็นหญิงนะจิตวิปรารถเลขอเสื่อผ้าเดินไปทั่วเลยนะจิตวิปรารเลยคราวนี้พอมาเจอพระวรมเจ้า พี่พล่าจะมาเจอรเจ้าพระเจ้าก็เลยปัดถามพระเจ้าว่ามียาชุบชีวิตไหมมียาชุบชีวิตไหคือคิดถึงญาติมากอ่ะโอ้โหตายทีเดียวสมมติรูกี่คนพ่อแม่ไฟไหม่ตายลูกงั้นคนนึงจมน้ําตายอีคนนึงอินแรงเอาไปกินโอ้ยอะไรก็มารูกนะประดังประเดประเดงประเดผัวดนรู้สึกโดนงูกัดตายปรดังประเดยประดังประเดยเข้ามานะในเวลาได้เลี่ยกันทุกสละมานมาก พอตุ๊ดตระมาอย่างนี้ก็ไปหาพระเจ้าว่าจะทำไงพระเจ้ามียายชุบชีวิตไหมไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็บอกมีมีมยายชุบชีวิตมีครณเจ้าบอกให้ไปห า, มาเมะเร็ดผักกาในบ้านที่ไม่มีคนตายมากพระเจ้าบอไมหาเลยนะถ้าได้ที่ชุบชีวิตได้พระเจ้าบอกนะเขาเลยไปหานะไปบ้านหลังไหนก็ไปถาม ไปถามว่ามีคนตายไหมไหมเพราะถ้ามีคนตายมันเอาไม่ได้ใช่ไหมก็ไปถามบ้านนี้มีคนตายบ้างไหมบ้านนี้มีคนตายบ้างไหมนะไปบ้านนี้ก็พ่อตายไปบ้านนี้ก็แม่ตายไปบ้านนี้ก็ลูกตายไปบ้านนี้ก็ผัวตายไปบ้านนี้ก็เมียตายไปบ้านนี้ก็ญาติตายคนนั่นคนนี้ตายคนนั่นคนนี้ตายไปบ้านหลังไหนมันก็ตายไปบ้านเรืงไหนมันก็ตายบ้านหลังไหนมันก็ตายสุดท้ายอ้ามันไมมีบ้านหลังไหนที่ไม่มีคนตายเลย มนตายทุกลังเลยอ้าวมันก็เป็นธรรมดาอันนี้ก็ตายเป็นธรรมดาหนิเออเขาเลยเข้าใจว่าโอ้การตายกันทมากเป็นธรรมดาแม่เราเองก็ต้องตายเหมือนกันนะอย่างว่าแต่ญาตินะจริงๆเราก็ต้องตายเขาเลยเข้าใจเห็นโอ้อันนี้ก็ตายนี่ก็ตายนี่ก็ตายนี่ก็ตายนี่ก็ตายเลยกลายเป็นธรรมดาเลยแต่เป็นเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราเป็นธรรมดาปุ๊บการดิบุญจำเทพเลยพรรลุทํามเป็นระหังเลยเขาจิตสงบนะ พระเจ้าก็ให้สื้อให้ส่เสื้อผ้าดีดีมากนะเอาแล้ ว, ลวก็พระเจ้ากเทศเรยเ่อเรื่องการเกิดการตายว่าตัาสงสารเป็นอย่างไรอย่างไรเยดเรื่อง ก, การล้ากลนกี่เลนืนี่แหละสุดท้ายเป็นอรหันต์เลยนะคนเนี้ยก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์เห็นไหเพราะงั้นถ้าเราพยายามพูดเรื่องเหล่านี้นะครับให้กับญาติได้เข้าใจญาติเขา้าใจค่อยๆสบายใจเออการผัดา่เป็เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกคนนั่นก็ัด่าเหมือนกันคนนี้ก็ผัดาเหมือนกันคนนั่นก็ผัดากไม่ใช่เราคนเดียวเนี่ยมันทั้งโลกมันเหมือนกันหมดเลยมันเท่ากันหมดท ไม่มีใครไม่้าวป้าจากากันนะเขาจะสบายใจเสร็จแล้วก็บอกเ้าหน่อยว่าอาการที่มันหงหาอะไรนี่มันอาจจะมาเป็นคราวๆอยู่นะไม่ต้องกังวล น, นะเมื่อเวลาล่วงเลยไปมันจะจางไปเราก็บอกเขาอ ถ, ถ้ามีอาการเหล่านี้มาก็พยายามใส่ใจว่าอ๋เป็นธรรมดาใครก็ต้องมีเหตุการอย่างนี้เท่านั้นแหละและแม้เราเองก็ต้องทัดท่าจากเราเองเหมือนกันมาถึงเวลาในร่างกายเราเองก็ต้องตายเหมือนกันอย่างนี้นะพอเขาคิดอย่างนี้ได้ใจก็จะสงบสบาย แล้วมันเป็นมีอารมณ์แนั้นมาอีกพระสายสารนรี่เลย ว, ว่าคอยมันคอยมันไม่ใค่คอยมจะ ม, คมค่คอยมันคือทอนคอยมันคิดถึงเอะอารมณ์คิดถึงอารมณ์ผูกพันมันจะมาปเป็นคราวๆนะมาปเป็นคราวๆมาปเป็นคราวๆถ้ามาแล้วเราก็ล้างมาแล้วเราจะล้างล้างแบบนี้แหละมาแล้วเราจะล้างมาแล้วเราจะ ล, ล, ล้างล้างด้วยความจรงิงพื่อจรจาความจรงิงแล้วมันก็จะคลายไปอ๋อเป็นธรรมดาที่เราพลาด ก, กนนะันก็แค่ไม่มีอะไรแค่สารพลังงานหมุนวนในโลกถ้าเราเข้าใจ สุดท้านก็คือสารานี่สาราและพลังงานที่หมุนวนในโลกเกิดดับเกิดดับหมุนวนหมุนวนไม่ใช่สมุนไม่ใช่ทุกขลาเป็นสารานพลังงานที่หมุนวนในโลกเท่านั้นเองนะพลังงานกรรมทระนธิด์เกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยเราพิจารณาความจริงมันจะคลายไปพิจารณาความจริงมันก็จะคลายไปคลายไปคลายไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะหางห่างหางหางหางออกไปแล้วก็จดลืมเรื่องราวเหล่านั้นไปั ถ้าเราล้างกินเกงๆนี่นะเราจะไม่ทุกข์อะไรเลยพ่อผมตายในวันที่ผมปฏิบัติธรรมวันนี้ไม่ทุกข์อะไรเลยนะผมก็ บ, กบนบันอยางสายดีสงบดีนะก็สงบสบายดีไม่ทุกข์ไม่วิตกกังวนอะไรไม่ทุกขไม่อะไรอ๋อถ้าเราห้ปฏิบัติธรรมเรารู้เลยจุกแน่กะกเลืดแน่จุกแน่แน่เลยนะเพระเราปฏิบัติธรรมเรารู้กันทักทาป็นธรรมดาเราทงสงบสบายจะไม่ทำทัายก็นีก็ได้นะคนตเลิกบรบอลยางสาย้าอจะไปทำไงทให้สงบนะ ก็จับสายอยู่ในทีเบิกบานอยนู่ในทีสงบสงบอย่าไปทากระดกระดานะไปทเบิกบานแบบกรดีกระดาเกินไปก็ไม่ดีนะเอาให้พ อ, อพอดีประมาณ้มันพอดีถ้่าเหตุการณ์บางอยา่างเราก็อาจจะทำเบิกบานแบบไ่ได้แต่เหตุการณ์ตายนะจะไปทาเบิกบานแบบส่แบออกหน้ า, บบนาออกตาแบบมันลาซ่ามัานะจะไม่งามนะแต่ก็เบิกบานจับสายอยู่ในทีที่เราไม่ทุกข์ไม่กังวลอะไรแคทําหน้าที่ส่วนใหญ่คนทีนบอกคนไข้บอกบอกยากนะทบอกยากว่าเอ้านะนคนไข้อะไรเขาก็ไปดีแล้วนะ เขาก็ไปดีอะไรต่างแล้วเราก็ทําหน้าที่ที่ดีกันแล้วกันถ้าเขาถ้าเราเศ้าสศกเสียใจถ้าเขาได้ได้รับรู้ว่าเราเข้าโศกเสียใจนี้เขาจะสบายใจไหมผมก็จะถามเนี่ยเขาจะไม่สบายใจนะเราอย่าพยายามนะโดยเฉพาะผู้นํานะอย่าร้องไห้ก่อนเพื่อนนะผู้นำมันอย่าพยายามร้องไห้ใครที่เป็นคนถ้าเรียกว่าเป็นเป็นญาติอยู่ใงนี้นั่นแหละโดยเฉพาะเป็นแกนเป็นหลักๆอย่าไปร้องไห้ก่อนเพื่อนนะถ้าร้องไห้ก่อนเพื่อนเราก็ลามไปทีนี้นะหนึ่งคนร้องเราก็ลามคนที่สคนที่สคนที่สี่คนที่หามันจะลามไปทั่วเลยนะ พยายามคุมสติให้ดีๆ น, ะนิ่งไว้พอเรานิ่งทุกเขาเนิ่งตามพุ่นํำมาแล้วน่ตรงนี้คนที่อ่าเป็นผู้นาการงานในตรงนั้นแหละในญาติญาติที่สำคัญตําพันพยายามนิ่งไว้ถ้าไปร้องไายคนนึงแล้วก็ลาลามลามลา ม, ลามเลยนะเราเราก็บอกเขาเนี่ยถ้าผู้ป่วยรู้นะว่าเราเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเราเราทุกเราทรมานนะผู้ป่วยจะไม่สบายใจหรอกนะไม่ดีหรอกเนี่ย เด็ผู้ป่วยรับรู้จะไม่ดีนะเราถ้าผู้ป่วยรับรู้ว่าเราหาสุขเราสงบเนี่ยเขาก็จะมีความสุขไปด้วยอย่างเงี้ยครับเราเราก็บอกเขาอ่ี้ยนะเราก็เราเรื่องแรงที่เหลืออย่าเอามาสศร้าโศกเสียใจเลยแม้เส้ยใจก็อคนไข้ก็ไปกลับคืนมาหรอกนะคนตายก็กลับขึ้นมาหรอกเราก็บอกเขาอย่ามาสศร้าโศกเสียใจเลยเอากําลังทั้งหมดนั้นมาทำหน้าที่ที่ดีดีกว่ามาทําความผาสุขให้ตัวเองแล้วเอาความผาสุกนั้นทําหน้าที่ที่ดีนะจัดการจัดงานให้ดีไปเลยนะมัน มันเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นคุณสมบัตู้สุดอย่าเงี้ยนะแล้วก็พยายามค่อยๆบอกเขาอันนี้คือการรักษาจิตวิญญาณที่ยากให้เขาได้เข้าใจสัจจกแล้วให้เขาเอาพลังนั้นมาทําหน้าที่ที่ดีนะครับเนี่ยถ้าเป็นการรับขนหนังนี้ในการตายจะเป็นประโยชน์ถ้าเป็นรักษนหนันี้การตายจะเป็นประโยชน์ทําให้คนอยู่ในแวดวงนั้นได้เรียนรู้ได้เรียนรู้การส่งวิญญาณได้เรียนรู้ว่าการตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ย หรือท้าพะมาเทศอะไรต่างนะท้าพระพันเทศคล้ายๆอย่างนี้นะพูดคล้ายๆอย่างนี้นะจะเป็นการตายที่ม y, Adobe, Walmart, Walmart, Walmart, Walmart. Passport, ีประโยชน์มากเลยการตายที่มีประโยชน์เพราะว่าคนก็ได้มาเรียนรู้เขาต้องได้มีงานศพไงแล้วให้คนมารวมกันไงจะได้ทําใจจะได้เรียนรู้สัจจ์ความจริงอันนี้ก็จะได้ค่อยๆทําใจไปเรื่อยๆใครที่ไปงานศพบ่อยๆจะได้กํำไรไปงานศพบ่อยๆจะได้กํำไรเข้าใจจะเข้าใจชาติไงว่าชีวิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้พอตัวเองจะต้องเป็นมั่งก็ไม่ทุกใช่ไหมเพราะเป็นธรรมดาเราไปมาทั้รุ่กี่งานแล้ว ถึงข่าวแล้วบ้างทุกคนเราก็เกิดตายมาตั้งแต่เมกี่ชาติกี่ชาติแล้วนะครูบาอาจารย์บอกเราจําไม่ได้เราก็ไปกลัวมันไม่ใช่เรื่องแปลกเป็เรื่องธรรมดาเกิดตายก็เป็นอย่างนี้ถ้าเรายิ่งมีวิธีส่งวิญญาณแบบนี้สบายเลยวิธีส่งวิญญาณแบบนี้แล้วโอ้สบายแล้วก็เคยส่งวิญญาณกันหรือตัวเองจะต้องตายแล้วก็ส่งวิญญาณเราได้ครับครอันนี้คือวิชาส่งวิญญาณ แต่ จ, จริงๆนี่ต้องทํามาตั้งแต่ก่อน น, นั้นพยายามดูแลให้ดีพยายามลดความทุกข์ทรมานทากายให้ได้มากที่สุดก่อนนะก่อนจะส่งยืนยันกายเนี่ยเขาเจ็บเขาปวดเขาออกร้อนก็เอาผ้าชุดน้ำปรอทเช็นไปนะกดจุดใต้ก็้วกดจุดปปนวดเลยก็นวดอะไรอางนพยายามใช้ยา9เม็ดนั้นลดความทุกข์ทรมานทางกายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่อย่าใช้อะไรที่รุนแรงจะโชกโอหังนะมันจะไปฟั่งหัวใจปึ้งปอะไรเงี้ยเพราะเวลาจะตายเขาต้องการความสงบเขาไม่ต้องการการกระแทกอะไรที่มาก แต่จริงๆการปั้มกันในโรงพยาบาลน่ไม่เหมาะหรอกคนจะวานขาเนี่มันดูดมันอะไรอะไรปึ้งปึ้อะไรเงี้ยนะโอ้ยมาคองร่างสงบได้ไงมันไม่ได้หรอกมันจะไม่สงบเพราะฉะน้นต้องต้องประคองอะไรให้สงบยาม้องเกิดสภาพสงบที่สุดแล้วให้เกิดสภาพทุกทรมานน้อยที่สุดทางกายแล้วเราก็ประคองใจให้เขาผาสุขที่สุดถ้าคนไข้ร่างกายเย็นก็เอาผ้าชุบน้อุ่นชุบน้โลีนมาเช่นถ้าคนไข้ ร, ร่างกายร้อนมากก็เอาผ้าชุบน้ำโคลฟีน กดมาเช็คอะไรเงี้ยนะแล้วก็ค่อยดีค่อยนวดไปนะค่อยหาวิธีก่อนคลายเขาจิบน้ำคลอโรฟิลได้ก็จิบนะต่ถ้าเขาจิบไม่ได้ก็ไม่ต้องเราอย่าไปยัดอาหารใส่ตอนตายนะคนไข้ไม่ต้องการนะใกล้ตายเนี่ก็ว่ากินเข้าไปหน่อยกินเขาเราจะได้คลื่นจะได้แข็งแรงไม่ต้องไปยัดนะเราต้องการความสงบต้อการความนิ่งไม่ต้องการกันย่อยไม่ต้องการกันกวนเวลาจะวางขันเนี่ยไม่ต้องไปพยายามยัดอะไรใส่เขาจะวางขันเนียเขาต้องการความสงบนะครับ นี่สำคัญนี่ก็คือศาตรในการส่งวิญญาณนะครับการส่งวิญญาณฝึกไป ived, เรื่อยเราก็จะได้เรื่อยๆค่อยๆฟังค่อยๆอะไรไปก็จะได้นี่ผมหลายคนอยากพยายามให้ผมเขียนคำพูดในพวกนี้เหมือนกันผมก็ยังไม่ได้เขียนไว้นะจะพยายามพยายามบงบ้างๆด้ยจะเขียนคำพูดในการส่งวิญญาณไว้แล้วอาจจะพิมพ์เป็นหนังสืออีกเล่นึงหรืออาจจะเป็นแผนบุกแีนึงอาจจะเป็นเล่มเล็กๆเล่มส่งวิญญาณว่าถ้าต้องส่งวิญญาณ้วต้องทําไงบ้าง จะได้จะได้ทาเป็นไนมะ่ก็าทากันไม่เป็นก็เอ้าคนทไม่เป็นพุดนวายจริงนะมไม่ทำยังไงจะตวทำอะไรดีทะดีออไม่รู้จะทำยังไงนแต่ถ้าเราร้ลยไหมโ อ, องทำทเงี้งี้เนี่ยอ้ช่วยกันประคองใี่กันประคองได้ประโยชน์แล้วอย่าส่งชาเกินไปนะส่งชาเกินไปไม่ทันนะจะบอกงห้โอ้จดินดนด้นดีวยวดินซัดายแล้วก็ใจจะขาดจะเรื่องนะนี่ปรนาไม่ทันนะเขาประคองลากไไม่ทันตายไปด้วยใจกระเจิงนะจิตกระเจิง ทรงชาติเกิดไปก็ไม่ใช่ถ้าประมาณประมาณว่าโอ้ยจะกะลำบากแล้วค่อยค่อยว่ามาได้เลยนะแต่บางทีพอเราโสงไปเสร็จตั้งหลายรอบก็ยังไม่ยอมตายก็มีนะไม่ยอมวางก็มีเพราะไม่ยอมวางทาไมครับเราก็พักสินะโอ้โหงมาจนพอสมคววนึกว่าจะไปยังไม่ไปอาเอก็ไปพักพอเราพาจะไปใหม่ลรวก็ตรงใหม่ไม่เป็นไรถ้าไม่ขาดทุนนะโรงไปหลายครั้งก็ได้นะบางีโสงเป็นวันเราเรียกไม่ไดดายจห อะอย่างเงี hmm. <inaudible> like ้ยเลาอะ้ยี่โอเคส่งแล้วนึกว่าจะไปก็ไม่ไปนะคุณยังไม่ถึงเวลาน่จริงๆริยังไม่ถึงเวลาเนี่ยคือมันยังไม่ถึงเวลาเขามีคนไข้คนหนึ่งนะขนาดเขาเองก็พยายามส่งตัวเองเหมือนกันนะมีคนไข้คนนึงพยายามส่งตัวเองเหมือนกันนะเขาก็พยายามส่งตัวเองเออเาสุดท้ายผก็ผมก็ถามเขาเขาก็พยายามส่งตัวเอง พอส่งแล้ผก็เลยถามส่งแล้วไม่ไปใช่ไหเขาก็ยิมก็งหวเลยคือเาัวเราใจใช่ข้าวส่งแล้วไม่ไปผมก็บอกเาแล้วถ้ายังไม่ถึงเวลาเาส่งให้ตายมันก็ไไปอเดลยไม่ต้องไปเนื่อาเลให้ตายก็ไม่ไปหรอก็ต้องถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไปเองเขอเดี๋ยวก็ทันเองแต่เ็้อประคองแบบนี้ไปเรื่อยๆหมดถึงเวลาไี่ท้าจะวางเองก็บอกคนไข้นะเพราะวัีคนไข้ก็ใจร้อนเหมือนกันไงอยากไปเร็วๆไงมันเราทานแล้วมันเบื่อแล้วเาานหลังนี้เราเกินแล้วนะคือเขาก็รู้ตัวนะว่า ลำคานมันก็ทรมานบางเรื่องบางราวเนะี่ยก็อยากจะไปเร็เรวๆซะอยากจะไปเอาเร่างใหม่อะแล้วมาปฏิบัติธรรมต่อมีนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งนะท่านก็พยายามส่งตัวเองนะมันทรมานร่างมากแล้วก็เฮ้ยมันไม่ไปทันทีมไม่ไ ป, ปทีโอเนมันไข้พวกเราเราก็เลยทำเนี่ยพยายามส่งตัวเองใช่ไหมแล้วมันไ่ปใช่ไหมมนใช่ใช่ก็กไม่ไปผมก็เลยบอกเอยยัไ ง, ไ ง, งไม่ถึงเวลาะตายไงจะส่งไงก็ไไปหรอกโปรดนะ ก็เดิถึงเวลาก็ไปเองไม่ต้อใจร้อนก็วันนี้ค่อยๆประคองกินให้สงบไปเรื่อยๆเดินถึงเวลาก็ไปเองงี้ก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรนะบางทีเราก็ทำท่าจะไปเราก็พยายามประคองพยายามส่งเอ้าวไมยอมไปแล้วเราก็เมื่อยเมื่อยพูดแล้วใช่ไหมเมื่อยพูดเมื่อยแล้วถ้าเราไม่เพพ่ดทําทำไงเมื่อยพูดแล้วก็พอแล้วก็พอแล้วก็นี่อ่าก็ปล่อยเขาเอาพักก็แล้วกันนะนอนพักให้สงบนะแล้วก็อะไรเราก็ไป อพอเขาจะ ท, ทําทานอะไรมาแล้วก็ส่งมาอีกแล้วก็มาครองหมายอีกแง่ น, นะอย่างน้อยเนี่ยไอตัวที่เราให้ไปก่อนก่อนที่เขาจะวางขันแั้แม่จะนานก็ตามนะมันจะช่วยตอนที่เขากาลังจะวางแม้เราไม่ได้พูดไม่ได้สถงตอนนั้นนะต้อง่งก่อนเนี่ยเวลาเขาจะวางเขาจะเขาจะระลึกได้ระลึกได้เพราะว่ามีคนประคองไว้ในเวลาสัา้นๆไงเขาจะจำได้แล้วเขาจะเอาไปใช้เขาจะเอาไปใช้ตอนวางร่างก็จะเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เรื่องส่งวิญญาณสงสยยนะัสยอะไรไหมส่งวิญญาณ ทำไมสงสัยจะตอบคำถามมาคำนี้ตลอดอย่างนี้แต่ดีนัมีแผนเดียวตอบแหลก่อนแหกค่ายแล้วพูดแหลก่อนแหกค่ายพูดคนเดียวกังนงั้นเหรอเอ่เออะไรตอบคำถามมาทีนี้ตอบคำถามมันนี้หน่อยคนป่วยเป็นอัมพาตมาประมาณสามปียังสามารถช่วยตัวเองได้ไเช่นทํางานบ้านได้เกือบทุกอย่างโอ้ทำไมดีกัน เริ่มกินน้ำโคโลอฟีนมาได้ประมาณหนึ่งเดือนทางด้านอาหารก็กลับเสลี่ยนได้บางส่วนคือกินผักโดยเฉพาะผักดิกเย็นมดนมไข่เนื้อสัตว์อื่นยกเว้นปลามีปัญหาด้านสุขภาพสองเรื่องคือหนึ่งมีอาการอั้นหยุดกุจจาระและปัสสาวะไม่อยู่จากถ่ายเรียร่พร้อมไปถ่ายไม่ทัน สคนป่วยอยู่ในห้องพักแคบๆการถ่ายเทยอากาศไม่ค่อยดีพรักษาบริทุกวนควรควรแนะนําให้เขาช่วยตัวเองอย่างไรนะเพื่อไม่ให้มีโรคร้ายอยื่นตามมาอ่าอนะก็อาจจะน่าไม่อยู่เลเพราะมันไม่มีกำลังนะมันไม่มีกําลังที่จะอันมันยังมันยังระบบปรสาเราทำงานไม่ดีนะก็ไม่ต้องกังวลอะไรเราถอที่ตอนไปเลย ที่เราปรับสมบูแบบนี้ไปเรื่อยๆจะถูกแ ล, ล้วล่ะแม้แม่ปรับไม่ได้ร้อยเปอรเซ็นต์ก็ทำได้ทำได้ซเซลล์ส่วนที่เหลือนั้นมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างน้อยที่สุดทาเซลล์ส่วนที่เหลือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเมื่อเขามีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยนะเขาจะทํางานได้ดีเองเขาจะยังช่ว ย, ยดีหรือถ้าเราทำอย่างดีวิธีการแบบนี้มันเป็นการทำํำกุศลด้วยนะครับมันจะเป็นรายอร์กุศลได้ ข้าพลังชีวิตดีถึงที่สุดนี่บางทีเขาฟื้นได้เลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะแม้เป็นมาหลายปีก็ตามมันจะค่อยๆมีประสิทธิภาพได้นะแต่ดัง น, นั้นจะฟื้นหรือไม่ฟื้นไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่ากับเราทําดีที่สุดถ้าเกิดสภาพดีที่สุดทุกวันที่เราทําได้เราทำแค่นี้แหละคนจะได้บ้านร้อยแค่ไหนมันอยู่ที่บาก์บูคนไข้นะครับตรงนีนะ้ถ้าอยู่ในห้องพัแค่ๆอากาศหายดีไม่ก็ดีทุกคนรจะละคอนบุหรี่ทุกวันนี่ก็ควรจะหาที่ที่ที่เขา ถ้ามันดีกว่านี้ได้นะอากาศหายใจกว่านี้ได้ก็ดีถ้าเรี่ยงไม่ออกก็หวางกันเอาหวังใจว่าเป็นนม่บาดคนไข่ครับนี่เอาปฏิบัติตามเจ้าข้อนี่แหละนะครับเดี๋ยวตามเจ้าข้อนี้เท่าที่จะทําได้ให้มันเกิดสภาพดีที่สุดที่เป็นไปได้จนได้น้อยแค่ไหนนั้นเป็นบาปบุญของโลกบาปบุญของเขาเราไม่ต้องทุกข์อะไรเรางมีความสุขกับ ก, การทําเต็มที่ทําให้เกิดสิ่งที่ดีเต็มที่ก็พอแล้วนั่นแหละมันจะได้ประโยัคนประหยัยยดท่าสสมเนี่ดีแล้วครับมีน้ําใจที่จะช่วยคนอ่ะงนี้ เออเป็นมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะลืมบ อ, อกไปอ่าตัวอีกตัวหนั่นที่เป็นประเด็นสําคัญที่อยู่ในอณัยสูตรนะครับที่จะทําให้แข็งแรงอายุยืนนะ่ะมันจะมีอยู่ข้อนึงคือเที่ยวไปในการว่าสมควรข้อแรกใช่ไหมข้อแรกเป็นผู้ทำความสบายกับตัวเองอันนี้พุ่งนะพี่น้องเข้าใจกันแล้วข้อที่สองนะครับรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายนะอันนี้ก็พาพี่นอ้องประมาณ ก, กันแล้วว่าเออพอสบายแค่ไหนก็ให้ประมาณเท่านั้นเท่านั้นอย่าให้มากไปให้น้อยไปคนระับข้อที่สามเนี่ย อกินอาหารที่ย่อยง่ายนะครับกินอาหารที่ย่อยง่ายถ้าเป็นการปฏิบัติในข้อหนึ่งก็คือปฏิบัตินะปฏิบัติจนจนฝุดฝุนจนปฏิบัติได้โดยง่ายนะครับข้อนี้เรียกว่าบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายหมายถึอบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายก็คือพาดเทียนปฏิบัติให้มันปฏิบัติได้โดยง่ายนะครับแล้วข้อที่สี่เที่ยวไปในกาลังสมควรอะข้อนี้ย ข้อที่สี่เกียวกัลตะกร้าสมควรนะครับอันนี้จะอธิบายตรงนี้นิดนึงส่วข้อที่ห้านะประพฤืชเพียงหนังโมอะซึ่งเราก็ว่าไปแล้วนะเพียงหนังโมก็ื่ออย่างที่ว่าไปนั่นแหละโคมสีหน้านั่นนะครับจะทําให้แข็งแรงอายยืนนะจะทําให้หายโรคเร็วส่วนข้อที่หกนั้นเป็นผู้มีสีข้อที่หกเป็นผู้มีสี น, นั่คือการล่าเว้นสิ่งที่เป็นภัยในชีวิตอะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นไฟเป็นฝนเสียแล้วก็ลก่าเวน้นข้อที่เจ็ดนั้นครบนิดที่ดีงาม วิตรที่ดีงามมิตรที่ดีงามก็คือวิธรที่พาเราปฏิบัติไปสู่ความผาสุขนั่นแหละคือมิตรที่ดีงามนะครับแต่จะมีอยู่เจข้อข้อใ น, ในข้อที่4ี่ที่ว่าเกี่ยวไปในการลังสมควรนั้นนะครับอันนี้ใช้หลักแพทย์แผนไทยจะอธิบายได้ดีแล้จะปฏิบัติได้ดีอย่างแพทย์แผนไทยเนี่ยช่วงหกโมงเช้าถึงถึงสิบนิกานะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ํากริกในช่วงน้ำตกลึก เ, เนี่ยร่างกายจะมีน้ำคุ้มคลอง กิจกรรมที่ควรทําที่ควรเที่ยวไปหรือควรทํานะครับก็ ค, คือการใช้เรือใช้แรงใช้กํำลังใช้เรือใช้แรงใช้กำลังก็ดีนะเพราะมันมีน้าคุ่งทองส่วน10บมงจนถึงบ่ายสองเป็นช่วงไฟกํำเริมนะสิ่งที่ควรทําก็คือการกินข้าวเนะพราะวนี้ฝฟมันร้อนแดดทุแบแดดออกมากนะกิจกรรมที่ควรทํำคือการรับประทานอาหารหรือการทํางานเบาๆนะครับ จะทำเราประทานาหารช่วงนี้นั้นด้วยะจะทํางานดีหรือว่าทํางานเบาๆกับ10โมงถึง2โมงทํางานเบาๆจะดีอย่าหนักเกินไปนะช่วงบ่าย2โมงถึง6โมงเนช่วงลมกับเลิกมนะครับลมนี่แปลว่าสมองสมองระบบประาสาทนะครับการยินไพโรกโลมบ้านหนูหลบลมชักลมในภาษาแท้ทไทยแปลว่าสมองช่วงนี้สมองทํางานดีเราสามารถจะวางแผนการงานหรืออ่านรรหนังสือนังหาหรือใช้อะไรใช้ปัญญา เปื training, is pretty, is so ่อเราวของการใช้สติปัญญานะครับต่างๆเนี่ยจะดีตัวเนี้ยนะครับส่วนช่วง4โมงเย็นไปนะครับจะถึง6โมงเนี่ยน้ำร่างกายจะเริ่มสะสมน้ําแล้วนครับตรงเนี้ยจะเป็นช่วงเริ่มที่จะมีน้ํากับเรือดแล้วร่างกายจะสะสมน้ําแล้วเราสามารถใช้เรีอลใช้แรงได้อีกทีหนึ่งนะครับคือช่วงที่แดดรุ่มลงตกกันแล้วนะครับช่วง3โมง4โมง5โมงเย็นเนี่ยพวกเนี้ยแดดรุ่มลงตกแล้วร่างกายจะเริ่มสะสมน้ํำพอเริ่มสะสมน้ําเราสามารถใช้เรียลใช้แรงใช้กําลังได้อีกทีหนึ่งนะครับ ร่างกายจะไม่ถูกไฟเผานะยิ่ง6โมงเย็นจะถึง4ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงน้ํากําเริ่เต็มเต็มเลยอันนี้นะครับให้น้ำเาเรียนร่างกายจะผลิตน้ําขึ้นมาเพื่อดับไฟให้เราเตรียมตัวนอนหลับพักผ่อนนะครับตรงนี้ในช่วง4ทุ่มถึงตี2ที่นี่นะครับ4ทุ่ถึงตี2เนี่ย4ทุ่มถึงตี2นั้นะเป็นช่วงไฟกําเัเริ่นะครับช่วงนี้ไฟจะมากร่างกายจะผลิตความร้อนมาสู้ความเย็นตอนหัวค่ามันจะไปสูงที่สุดตอนเที่ยงคืนนะครับ แล้วก็โรคมันจะเริ่มคลายพวมร้อนตั้งแต่ตั้งแต่หัวค่านะครับก็คือเขารับความร้อนมาทั้งวันเนี่ยเขาจะคลายไปสู่บรรยากาศในเที่ยงคืนนี่พวามอจะมากที่สุดนะครับสูงที่สุดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยร่างกายจะมีความร้อนสูงที่สุดนะครับถ้าใครมีร่างกายที่มีความร้อนมากมากมากๆเนะี่ยนจะลุกมาปัสสาวะตอนเที่ยงคืนหรือทีสองช่วงนี้จะลุกมาเที่ยวถ้าลุกมาปัสสาวะตอนนี้แปลว่าร่างกายเราร้อนมาก นะถ้าบวกกับความร้อนในร่างกายนะความร้รอนที่ร่างกายผลิตขึ้นมาสู้ความเย็นความร้รอนที่โลกคายออกมาบวกกับความร้อนเดิมที่มันมีอยู่มันจะมีสามอังพอความร้รอนสามอันรวมกันีถ้าร้อนมากๆเีก่กมันจะเผาเซลล์ให้เสือ่อมร่างกายก็เลยมีกลไกก็คือลุกขึ้นมาปัสสาวะช่วงที่นคืนปีสอถ้าลุกขึ้นมาปัสสาวะช่วงนี้ให้ดื่มน้ํามากๆดื่มน้ำมากๆเพื่อดับไฟนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นเพราะเรา ก, กินน้ํามากนะร่างกายมันเย็นไม่ใช่นะมันร้อนช่วงเนี้ย คนไทยโรคหัวใจจะหัวใจวายตายช่วงนี้แหละครับเที่ยงคืนวันศีรษะจะไหลตายช่วงนี้คนไท้หอบเหนือก็จะเป็นช่วงนี้คนไท้ปวดข้อจะเป็นช่วงนี้คนไทยที่ไฟกำเริบอาการไฟกำเริบจะกำเริบตอนนี้แหละนะครับเที่ยงคืนวันศีรษะตอนเก็บด้าวเก็บพลังดจะเป็นตอนนี้แหละครับเพราะงั้นถ้าใครมีอาการไม่สบายตอนนี้แปลว่าไฟกำเริบให้ถอนพิษร้อนแม้แต่ลูกมาปัสสาวะก็เหมือนกันครับลูกปัสาวะตอนการเดือนนี้แปลว่าไฟกำเริบให้ดื่มน้ำเข้าไปเท่าที่รู้สึกสบายเพื่อไปดับไฟ หลายคนนี่ไม่กลายย้าดื่มน้ำเพราะคิดว่าคงดื่มน้ํายอะจนได้ได้รูปมาปัสสาวะกลางคืนนะไม่เข้าใจก็เลยไม่กล้าดื่นมน้ําไฟจะเผาเราไฟจะเผาเราะให้ดื่มน้ำเข้าไปมากถ้าที่เรารู้สึกสบายนะแล้วมันจะรูปปัสสาวะน้อยลงนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะรูปปัสสาวะมากขึ้นนะครับมันจะช่วยให้รูปปัสสาวะน้อยลงนะถ้าหาอะไรไม่ได้ก็เอาน้ําน้ําอย่าพกเลือดจับนะ กินเบี้ยวนะที่จะไปหาน้ำมันจเี้ตัวเองกันะนะถ้าผมถ้าจะเป็นบางวันผมโหลดงานมากๆผมจะลุกการดิกเหมือนกันนะมันร้อนนั่นดื่มปัสวะตัวเองหละนะครับือมปัสวะตัวเองเลยก็ได้หรู้จะไปหาน้ำื่ก็แล้วแต่เราดื่มไปให้ยินแล้วที่รู้สึกสบายนั่นแหละที่จะดับไฟแล้วในช่วงกลางวันเนี่ยเราก็ถอนพิษทั่วไปถอพิษร้อนแล้วมันจะไม่ลุกปัสวะอีกกางคืนนะครับหรือมันจะลุกปัสวันน้อยถ้าเราถอนพิษ้อนได้ก็ยังไม่ลุกเลยแม้แต่ครั้งเดียวคนแข็งแรงจะไม คนร่างกายสมดุลนะในการเดึกในช่วงเที่ตีสองแต่หลันที่2มันต้องเป็นเรื่องปกติที่ถ้าร่างกายสมควรเราก็จะลุกมาปัตตวะลังที่อไปช่วงตีสองนถึง6กโมงเช้าที่นี้นะครับเป็นช่วงลมกำเริบช่วงนี้ใช้สมองกันดีถ้าใครจะต้องตื่นขึ้นมานะอาจจะตื่นตีสามตี่อะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้ใช้สมองกันดีนะครับเป็นช่วงลมกำเริบ าอากาศสงบบรรยากาศสงบเย็นสบายเรามาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไ ป, ไปต้องเรื่องมราต่างๆวางแผ น, นต่างๆนะครับจะดีนะครับพวกนี้นะครับนี่หละเป็นเป็นช่วงที่เรียนไหวเกี่ยวไปในการละสมควรส่วนช่วงข อ, องมงเช้าไปก็ใช้เกี่ยวใช้แนไปอานะารต่างบน น, นี่ลักษณะเนี้ยแม่พระเจ้าเอนก็นอนนะครับช่วงช่วงสี่ช่วงตสองนั้ก็ไม่ทํางานนะที่หลายคนนี่ไม่เข้าใจตรงเนี้ยนะ เจ้าเลถ้าจะนอนช่วงสี่ทุ่งีสองแล้วช่วงตีสองถึงหกโมงเช้าจะมาวางแผนการงานใช้สมองดีนะครับตรงนี้สีทุมตีสองนี่หลายคนไม่เข ja er ้าใจหลายคนนี่เป็นคนล้งงานถ้างานไม่เสร็จแล้วนอนไม่หลับลากงานไปถึงสี่ทุ่มอ้สีทุ่มนะครับอย่าลากงานไปถึงสี่ทุ่มนะมันจะฆ่าเราเป็นไปได้นอนสามทุ่มนี่นอนเลยพยายามนอน่อนสามทุ่มหรือตอนสามทุ่สองุ่มถึงสามทุ่เนี่ยนะครับควรจะนอนได้แล้วสองทุครึ่งสาทุ่ประมาณนี้ มัเป็นช่วงไฟจะเริ่ม ก, กำเริบนะให้รีบนอนหลับพักผ่อนไม่งั้นไฟมันจะเผาตัวเรานะครับให้พยายามรีบนอนหลายคนไม่เข้าใจจะลากตัวเองไปงานไม่เสร็จนะ้าลากไปถึงสีง่ทุ่มถึงเอ่อเที่ยงคืนก็มีนะลากไปได้2ชั่วโมงไฟมันจะเผาตัวเรารถ้างานไม่เสร็จนี่ให้นอนหลับซะอย่างช้าสุดก็สี่ทุ่มให้นอนให้ดีจริงๆสามทุ่มเสร็จแล้วตื่นแต่เช้าเอาเช่นตื่นมาตีสี่ทำ ง, งานถึง6กโมงเช้าก็ได้2ชั่วโมงเหมือนกันนะ จาก4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็2ชั่วโมงทีสี่ถึงหกโมงเช้ามันก็2ชั่วโมงเหมือนกันนะแต่เป็น2อชั่วโมงที่ต่างกันนะครับ4ี่ทุ่มถึงตีสองนั้นเป็น2ชั่วโมงที่ไฟเผาร่างกายอย่างมากร่างกายเราจะเสื่อมโทรมและงานจะไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราตื่นมาตีสีแล้วทําไปถึง6กโมงช้าหนาหรือตื่นตีสาก็แล้วแต่เราที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกสดชื่นสบายนะแต่ตีสองตีสามตีสี่เราต่แล้วทํางานไปอีกสองชั่วโมงเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่ร่างกายมีพลังชีวิตสูงสุด ร่นะางกายปลอดภัยที่สุดสุขภาพดีที่สุดเลื่องานก็จะออกมาดีที่สุดบางคนนี่ไม่เข้าใจเรื่องราเหล่านี้อยากทํางานให้มัน เ, เสร็จจะได้ไม่กังวลอ่ะก็ลักล่าไปก็เลยลากไปเข้าไปเผาลากไปเข้าไปเผายิ่งถนะ้าใครต้องขึ้นเวรช่วงนี้นะครับไม่คข้าท่านะใครต้องขึ้นเวรสีรร่ต้นวันที่สองายอยาหาของดอนมากินนะทุกวันนี้พวกหมอเขพยาบาลทนำะไมเขาตายเร็วครับอายุสั้นนะตรงนี้ตายเร็วเหตุที่ตายเร็วเพราะอะไรครับเพราะว่านี่แหละขึ้นเวรช่องสี่ต้นวัีสองเนี่ย แลเอาอะไรมากินก็เอากาแฟนะมาม่าขนมปังอะไรพวกนีนน้คิดในกาแฟมาม่าขนมปังไฟนั้นเนะลยมันจะเผาคเขาถ้าใครต้องขึ้นเวชวช่วงนี้นะมันไม่จำเป็นต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลนะเป็นอื่นก็ได้ถ้าจะต้องขึ้นเวชในช่วง น, น, นี้เนี่ยซึ่งมันจะกินพลังเย่างมากกันนะครับสังเกตสิใครอดดูบอล น, นะอดนอนดึกๆเพื่อที่จะดูบอลดูหนังเนี่ยนะไฟมันไหม้ตัวเองอ ไฟมันจะไหม้ตัวเองนะไฟมันจะไหม้ตัวเองโอ้เวอบทีเรานอนดึกเนี่ยโอ้สี่ทุ่มสี่หนึ่งสี่สองไม่นอนนะตื่นมาตื่นเช้าขนะึ้นมาแล้วเรานอนเนี่ยหังเที่ยงคืนมาเรามานอนตื่นเช้าขึ้นมาเพียไปสาวันแล้ ว, นะวนเนีเ่ยถ้ามันยังไม่หายเพียไฟมันจะกินเรามากนะระวังช่วงนี้เป็นช่วงไฟกำเริ่มเพราะนักทรายจำเป็นต้องขึ้นเวรในช่วงนี้เนี่ยนะครับหรือต้องทําการทํา ง, งานในช่วงนีนะ้ถ้ามันมีความจําเป็นเนี่ย ให้เรานะครับซึ่งจริงๆว่ามันไม่ควรจะทํากิจกรรมอะไร <c oughs> ควรจะนอนหลับพักผ่อนมันจะดีที่สุดในเดือนนี้แล้วถ้าจะเป็นก็ขึ้นเวรในช่วงนี้ให้เราหาของริเจนมากินประกอบกินเช่นผลไม้ริเจนสมุนไพรริเจนอย่างนี้นะอาหารริเจนต่างๆนะครับอสมุนไพรรีเจนก็มีเยอะยะมากมายใช่ไหมน้มํามะพร้าวอะไรน้ํายำนางน้ำใบเตยน้ําเฉาควยน้ําเก็บควยอ่าน้ําบัวมกน้ํำว่านหางจระเข้น้ำวุ้นลูกสมลองอะไรเงี้ยนะครับ หรืออ ะ, อะไรมันมีหลายอันที่มันมีฤทธิ์เย็นรับพวกต่วเนี้ยนะครับก็ลองหาพวกฤทธิ์เย็นนี้มากินนะก็จะช่วยเซฟเลรานะครับให้ให้ปลอดภัยนั่นข้าโพดก็ได้นมถั่เหลืองก็ได้นะครับพวกเนี้ยก็ิดพวกนี้เข้าไปก็จนะปลอดภัยเราสามารถเปน็นแนะนายากได้ไม่ใช่โอ้โหการเด็กทักกาแฟํมาม า, มาขนมปังอย่างเี้ยนะเซตเลยเผา พยาบาลในสุขการ์ดมล่งมากที่สุดนะตอนนี้เริ่มเปต้อนมมะเร็เต้านมอะไรกันต่งมากแล้วเพราะเขากินแนะตรงนี้น่าสงสายนะที่หมอที่พยาบาลเขาไม่รู้เรื่องโภชนาการเรีนหมอมาแต่เขาไม่รู้เรื่องโภชนาการในเชิงพุทแต่เขารู้แต่โภชนาการเชิงฝรั่งเขาไม่รู้หลอกนี่ไม่รู้หลอกเขาตัวนี้เขาต้องสงสารน่อายุสั้นแล้วก็เป็นปิดเยอะเดี๋ยวเขาขึ้นทํางานทํางานนี่มีแค่เขาแข็งแรงนะทำสวยๆเองนะแล้วก็ตายแล้วคลานไปทำงานเลยจริงๆแต่ละคนแต่ละคน แก่แล้วแบเป็นอย่างนั้นน่าสงสา ร, สารเขาถ้าเขาสอนพิเดีเนี่ยเขาจะแข็งแรงแข็งแรงโอเคครับอันนี้ก็เล่าอะไรสู่กันฟังขครยังถามอะไรไหรมนี่แหละนะเดี๋ยวไปใไนก็เล่าสุ่กัก็เล่าสู่กัางหมดแล้ววพาไงเอ่ยได้ได้ได้หมด สายเที่ยวแต่สายแล้วเลือด ก, ก็ออกแล้วพก็ทรมานเป็นมะเร็งพ่อก็ทรมานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะถอนออกเพเห็นว่าพอทรมานนะแล้วก็แต่ญาติไม่อยากทอมนมาญาติก็บอกว่าถ้าถอนดก็ฆ่าพ่อสิเพรางะงั้ะก็เลยเขาก็เลยถามว่าเขาจะบาดไหมถ้นะาถอดออกเขาจะบาดไหมหรือถ้าค้างไว้อย่างงั้นเขจะบาดไหมทั้งถอดและไม่ถอดเดีถ้าเรามีเจตนาดีจากคนไข้ไม่บาดทาั้งคู่อยู่ที่เจตนาบาดหรือไม่บาดอยู่ที่เจตนา จะไม่ถอดก็ได้ถ้าเราเข้าใจว่าการไม่ถอดนั้นเป็นสิ่งที่ดีจะไม่ถอดก็ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือคนอื่นเขาก็เห็นว่ามันอย่างนั้นแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ไม่บาปอะไรเพราะว่ามันก็ลองถือเป็นบิดาบาของคนไขบมันไม่ได้บาปไม่ใช่บาปของเราเราไม่บาปแม้ไม่ถอดเราก็ไม่บาปแล้วถ้าแม้เรารู้ว่ามันถอดออกแล้วมัน คือจีิถ้าเรารู้ว่าอย่างเี้คนไข้ไงก็ต้องตายอยู่แล้วนะถอดหรือไม่ถอดเนี่ยจริงๆแล้วนี่ถ้าถอดเป็นบุญมากกว่าถ้าคนถึงว่าเป็นบุญมากนะถ้าอะไรเป็นบุญมากกว่าถ้าคนไข้ต้องตายอยู่แล้วนี่นะแล้วถ้าคนไข้เต็มใจที่จะให้ถอดต้องถามคนไข้นะว่าคนไข้เต็มใจไหมถ้าคนไข้เต็อนใจที่จะให้ถอดนั้นการถอดนั้นเป็นบุญเพราะเราขาเสียชีวิตอย่างไม่ทรมานกับเสียชีวิตอย่างทรมานคุณว่าอะไรเป็นบุญกว่าใช่ไหมก็ถอดก็ช่วยให้เขาเสียชีวิตอย่างไม่ทรมานเพราะไนะเขาก็ต้องตายอยู่แล้วอ่ะ แต่เขาอย่าตายด้วอความไม่ทรมานมันนั่นเองมันก็เป็นบุญกว่าแต่ชีวิตคือยคาไม่ทรมานนี่แหละเป็นบุญกว่าแต่ถ้าคนถ้ามีวิบาทปนี้มันจะมีญาติมันยัไม่อยากให้ขอเป็นเงินอย่างนี้น่ะการที่เราวางใจได้แล้วยอมให้เป็นอย่างนั้นน่ะเป็นบุญกว่าเป็นบุญของเรานอะแต่บาปบุญคนไข่ก็ได้เพราที่เขาได้เนี่ยแหละแต่ถามว่าเป็นบุญของเราอ๋ออ๋อไม่บาไม่บาเราไม่ได้บาปคือเขาเขามีควารู้สึกว่าเขาช่วยพ่อไม่ได้ เขาช่วยพ่อเราไปสงบไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกเป็นบาปหรือเปล่าไม่ใช่เราได้พยายามช่วยแล้วไม่ใช่เหรอเออเราได้พยายามแล้วความพยายามเจตนาแล้วเราเอามีเจตนาที่จะให้พ่อไม่ทรมานแล้วเราก็ได้พยายามแล้วเป็นบุญแล้วบุญสําเร็จที่เจตนาและความพยายามเพฟังให้ดีนะบุญสําเร็จตั้งแต่ใจใจที่เจตนาจะให้เกิดสิ่งดีขึ้นแล้ววาจาก็พูดออกไปแล้วกายก็พยายามทํา ยิ่งสมบูรณ์เลยแค่ใจคิดดีนี่ก็อยากให้เกิดสิ่ดีก็สมบูรณ์แล้วนะแค่ใจมโนกรรมเนะีสมบูรณ์แล้วยิ่งถ้าออกมาทางวาจาออกมาทางทางกายด้วยยิ่งสมบูรณ์ใหญ่เลยอะไรนี่นสมบูรณ์ใหญ่เลยสมบูรณ์แล้วบุญสมบเร็จแล้วส่วนผลที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นบาปเป็นบุญของโลก บาปปุจะสันครอบกันเองเขาจะบุกรบคุญหารเองเขาบอกรบคุณหารแล้วว่าพ่อจะต้องโดนที่เรี่นงานพ่อคงทำไปทําสิ่งไม่ดีอะไรต่างมาฝั่งหนึ่งต้องชดใช้กรรมตรงนั้นเขาก็จะบุกรบคุญหารออกมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราทําบุญของเราเสร็จแล้วจบแล้วไม่เป็นบาปเลยเป็นกุศลที่คุณทํานั้นเป็นกุศลแล้ว